ท่านสาธนพุทธ บ, บริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิ้สุสัมเนธทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวของพนางสามอาวดีตอนจบแต่ความจริงและพ น, นางสามอาวดีก็ยิ่ห้าร้อยจบไปแล้วและหมายควา ม, มาท่านถูกเผา้วยก่อนที่ท่านจะถูกไฟเผา สิ่งที่ท่านได้รับนั่นก็คือเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระนาคามีบ้างพระสายจิตที่ท่านบริสุทธิ์เห็นทุกขเวทนาว่าไฟเป็นกล้ามันพุ่งเข้ามาความร้อนจึงก็แนะนำคนทั้งหลายว่าอย่าสนใจกับทุกขเวทนาให้มากเกินไปตั้งใจคิดว่าการเกิดมันไม่ดีอย่างนี้ แล้วก็จงอย่าทำการจะทําจิตใจโกรธในนามมาคัธิยพรามแต่มาคันดียาทั้งสองอสองอาหลานเพราะททราบแล้วว่ากรรมนี้ไม่ใช่ใครต้เป็นสองคนนี้แน่แล้วก็ตั้งใจคิดว่าร่างกายมันไม่ดีที่ไปกอดเพราะด้วการทั้งสองอารมณ์นี้ของมรนดาเพื่อนพิสุชมเนงทั้งหลายแล้วบาสบุบาสิกาตั้งใจไว้มัน ความดีใดที่ท่านทั้งห้าร้อยหนึ่งองค์ท่านได้รับแล้วเราทำตามท่านเราก็เป็นสาวกองค์สมเด็จพระบัณีิแก้วก็คงมีผลตามนั้นเพราะว่าการถึงว่นนามาคทิยาฆ่าคนทั้งห้าร้อยกับหนึ่งคนแล้วก็เป็นพระอริยเจ้า <c oughs> สิ่งที่เป็นความสำคัญก็คือเป็นพัญญาของประราชาเป็นไม้เสษยสี กรรมนี้เป็นกรรมหนักมากถ้าผู้มีพระภายเจ้าทรงตรัสว่าเขาต้องรับกรรมสนองกรรมของเขาแน่นอนเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจินวนวรทรงตรัสว่าผลกรรมที่ขมจะได้รับอันดับแรกเป็นความดีคือนี่ขาคอมันจะไอ เป็นความดีเป็นความดีที่จีคผมได้ที่ประราชาทรงประทานให้ทรงประทานรางวัลให้เล็กน้อยแล้วก็ไม่น้อยใหญ่มากเป็นที่พอใจของนางยังบอกว่ามีญาติเท่าไหร่เราจะรับค า, าเรียงดูเพราะเราไว้วางใจในความดีของเธอานางมาคนียาก็หลงกล ก็เรียกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายก็นามบางคณียาหลงกลคนนี้แจ้งใบญ า, าติของตนมีที่ไหนเพื่อมาพร้อมกันพระราชาจะเลี้ยงดูแลบางคนที่มีความโลภคือว่าถึงมีมีมีกรรมเสมอกันที่ไม่ได้เป็นญาติของบรรนามางคณียาก็ติดชิ้นบนกับเจ้าพนักงาน เอาวให้แจ้งไปด้วยชั้นเองก็เป็นญาติเขาได้รับรางวัลเขาก็เขาก็แจ้งให้รทราบว่าเธอก็เป็นญาติเช่นเดียวกันเนระบบการเงินการทองแบบนี้มันไม่มีเฉพาะสมัยปัจจุบันนี่ก็ลือกันว่าคนไปทำงานต่างประเทศังสื้อพิมพ์ลงเสียเงินเสียทองแล้วก็มาได้ไป แล่เรื่องราคุณนางมาคณยานซสัยเสียเงินแล้วก็ได้เป็นญาติประกาศคนเป็นญาติหมดถามว่าพระราชาถามว่ามีอีกไหมพระนางมาคนยาก็บอกไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะหมดเท่านี้รวมแล้วก็ประมาณห้าร้อยเช่นเดียวกัน ร, ราชาจึงเรียกประชุมคนทั้งหมดและเจ้าพนัก ง, งานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ว่าวันนี้เราจะไปทานความดีแก่พนามงมางคียากัมมัญดายาทั้งหลายที่มีความหวังดีต่อเราดังนั้นจึงสั่งให้จับพระนามงมางคียากับหญิงทั้งกระคนทั้งหมดที่ประกาศตนมาเป็นญาติมัดสบายๆมัดแล้วหลังจากนั้นให้คนขุดหลุมที่พลรานหลวงหรือที่สนามหลวงขุดลงไปลึกแค่เอว ให้คนทั้งหลายเหล่านั้นลงไปอยู่ในนั้นแล้วก็กลบหลุมสำหรับพ น, นางมารคริยานั้นไม่เด็นลงหลุมให้ตั้งขาอย่างคือคาให้มั่นคงมัดให้ตัวให้ตรงแขวนขึ้นไปจับมือทั้งสองแขวนแขนสองนแขวนขึ้นไปให้เท้าถึงดินบิดบิดจะถึงปลายเท้าถึงบิดบิดเอาปลายเท้าทับก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ให้เอาผ้ายัดปากเขาไว้ห้า ม, มาให้ร้องไอ้มันอาผ้ายัดปากมือมันเอามาแก้ไม่ได้มันก็ร้องไม่ออก <c oughs> หลังจากนั้นก็ให้คนเอาฟางมาโรยลงมากองกองทับคนทั้งหมดที่หดหลุมแล้วแล้วก็สั่งเอาไฟจุดเอาไฟจุดเมื่อไฟก็คลอกหนังมันตายหมดแล้วไม่หมดก็ไม่ทราบ หลังจากนั่งเอาช่างเทียมไถเหล็กไถคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จนละเอียดทับผ ม, มเป็นแผ่นดินเป็นปุ๋ยอย่างดีเ <c oughs> นี่รางวัลที่พระเจ้าเทีนประทานแก่ญาติเขาว่า น, นางมาคณียาสำนัมหลับสำนหรับวรบรนาง ม, มาคณียาได้รับประทานเป็นพิเศษกืนรางวัลพิเศษยิ่งใหญ่กว่าคลใดทั้งหมดท่านให้ใช้กระทะ ใส่น้ำมันตั้งเตาให้เดือดแล้วก็ปาดเนื้อล่ำล้ำอย่างคนขาคนแขน น, นี่เป็นต้นเขาวนาน า, างมัคณัญามาทีละชิ้นท <c oughs> อดให้สุกแล้วบังคับให้นางมางคธยากินทําอย่างนั้นจนกรทั้งนางมางคธัาตาย <c oughs> เมื่อพระทั้งหลายในตอนเช้าทราบข่าวแล้วก็มาเฝ้าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว ว่าพระนางสามาวดีถูกไฟเผาตายพระนางมาคณญยาถูกเชื้อเนื้อทอดให้กินมันดาคนทั้งหลายที่เป็นญาติท้่ไม่ใช่ญาติที่อยากจะเป็นญาติ <c oughs> ต่างคนก็ต้องต่างตายจากไฟเผาและถ่ายเหล็กมันดาพระทั้งหลายได้กราบทูลองถามองค์สมเด็จพระจอมใจ ว่าพันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าผู้เจริญพระพุทธเดียว่าหญิงห้าร้อยคือพระนางสามาวดีกับอีกห้าร้อยคนนั้นเป็นประโสดาบันเป็นพระเรียเจ้าทำไมจะต้องมาถูกเผาตายอย่างนี้พระพุทธเดียว่า สมเด็จพระบรมศาสดาจึงเนีมีพระพุทธดีกาตัดว่าพิฆเเวดูก่อนมีศทั้งหลายยังทั้งหลายห้ารอยนีนั้นเดิมทีเป็นบริวารของพระเจ้าพรมทัตพ ร, ระเจ้าพรมทัตจะมีความเคารพในพระะเจ้าพระเจ้าแปดองค์ทรงถวายพระตาหารในฤดูฝนเสมอ เ่สิ้นสี่เดือนแล้วพระบาเจาพุตเจ้าก็ลาไปอีกเจ็ดองท่านเข้าป่าไปไปรปะ ป, ป่าหิเมื่อวันแต่ประเทศคืคอป่าใหญ่ต <c oughs> ีองค์หนึ่งนั่นไม่ไปไปนั่งเข้านิโรธสมาบัทจุดชายแม่น้ำในดงหญ้าทึบซึ่งมองไม่เห็นตัวการเข้านิโรธสมาบาัดของท่านใช้เวลาเจ็ดวัน วันหนึ่งพระราชานำหญิงห้าร้อยทั้งหลายเหล่านี้ไปอาบไปส่งน้ำเธอก็เล่นน้ำจนสนสนสนุกสบายมากเกินไปมันก็หนาวลุกขึ้นมา ข, ขึ้นมาข้างบนตลิง่งก็หากอหญ้าที่เป็นพุ่มใหญ่เออเอิญพระประเจพุะเจ้าท่านนั่งเนี่นั้นมองไม่เห็นนรกจัดก็เอาไปเข้ามาจุดเพื่อจะผิงไฟ เมื่อหาไหม้หมดลงไปแล้วนั้นสาปลายกุฎภพพระปฏิจเกพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ตอนนี้องค์สมเด็จพระบระมครูทรงจัดเ่าการเข้านิโรธาสมาบัติอันตรายย่อมไม่มีกับท่านใครเจ้าเช้างม่กระทืบก็ไม่รู้สึกแจกระบองมาเตียหินมาทับก็ไม่มีอันตรายแต่ว่า น, นางทั้งหลายไม่ทราบ เข้าใจว่าพระประเจีพระพุทธเจ้าตายแล้วแต่ว่าถ้าบอกคิดว่าถ้าราชาทรงทราบว่าเราเผาพระพุทธ เ, เจ้าของท่านเราจะมีโทษหนักที่ไม่หาฟืนมาคุณท่อนสองท่อนกองใหญ่สมท่วมพระประเจีพระพุทธเจ้าแล้วก็จุดไฟเข้าใจว่าร่างกายคุณยังหมดไปหมดแล้วกระฝืนก็เลยเดินกลับ <c oughs> กลับพระราชฐาน ถ้าปรากฏพอดีครบเจ็ดวันพระประเจิงพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติปรากฏแม้แต่ผ้าของท่านก็ไม่ไหม้ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรจากอนตรายจากไฟแม้แต่ส่วนนิดเดียวอาศัยเจตนาดวงหลังที่ตั้งใจเผาพระประเสกพพุทธเจ้าญิงห้าร้อยงต้องมาถูกเผาในชาตินี้ แต่ความจริงเธอถูกเผามาก่อนแล้วร้อยชาติเกิดมาร้อยชาติหลังยัยท่า น, นั้นถูกเผามาเรื่อยๆชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะเป็นพระอาเียเจา้า <c oughs> หลังจากนั้นบรรดาดพราะสมฆนั่นหลายก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าว่านางขวดสุตรานี่ทําไมจึงได้เป็นหญิงข่อมแล้วเธอก็มีปัญญาดี แล้วทําไมจึงได้เป็นประโสดาบันเพราะเหตุไรจึงได้เป็นธาตรับใช้เขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงวิยากรอนตัดว่าทิฆ เ, เวโดก่อนพิสุจน์ทั้งหลายขุจุตระานี่ในการหนึ่งก็เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าพรท ม, มทัสนั่นแหละสมัยนั้นและพระไปเจงพระพุทธเจ้าที่มา รับทานคือว่ามาถลองศรัทธาพระเจ้าพุททาสแปดองค์องค์หนึ่งท่านหลังค่อมหลังคอมหน่อยๆเดินหลังโกงๆหน่อยๆตอนนี้ขุจุตรานี่เป็นคนมีความฉลาดเวลาที่พระะเ จ, จา้าพทธเจ้ามาคราวใดพระเจา้าพุทธทาสก็ต้องเรียกเธอเข้าไปใช้เพราะเธอเป็นคนคล่องตัวงานดีทุกอย่าง แต่ว่าบรรดาเพื่อนๆไม่มีโอกาสได้เห็นพระบัจเจยพระเจ้าเลยไอ้ใ น, นรู้ในวังในไปไหนมันลำบากก็ไม่รับอนุญาตก่อนยังอยากจะทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าคำว่าราชาที่มีความเคารพนรูปร่างเป็นยังไงน่งคุณจุตรายก็บอกว่าที่เจ็ดองค์ปกติแต่มีพิเศษอยู่องค์หนึ่งหลังคมอม ท่านห่มผ้าแบบนี้จะกับผ้าห่มเฉวียงบาค้ายพระประเจมพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ถือขันแทนบาทว่าพระผู้เป็นเจ้าเดินหลังข้อมแบบนี้แหละการสแสดงลีลาในลีลาของพระประเจมพุทธเจ้า ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีเจตนาล้อเลียนแต่ออกแบบแบบนั้นฉะนั้นขุดจุตราเกิดมาร้อยชาติหลังค้อมทุกชาติ จำให้ดีนนบรรดาท่านพุทธบริษัทกรรมเล็กน้อยจะแตะ ต, ต้องพระอริยเจ้ามันเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างเดียวก็บขุจตราหลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนิสงสังดว่าการที่ขุจตระาฟังเทศนี่ก็จําลีลาของพระเจ้าได้มีปัญญาดีมาก เวลาไปเทศต่อก็เทศในแนวเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลีลาค่ายคึงกันเป็นที่จับใจคุณหญิงห้าร้อยมีพระนางสามาวดีเป็นประธานแล้วก็ฟังเทศจบเดียวได้เป็นมาโสดาบันนั้นท่านบอกว่าในสมัยนั้นเองคือพระบาเจลพระเจ้าทั้งแปดองค์เมื่อรับนิมนต์มาในพระราชนิเวศ เจ้าหน้าที่ถวายข้าวยาโคคือถวายข้าวต้มไอ้ข้าวต้มที่เขาใส่บาดมันกําลังร้อนอยู่เมื่อพูดเป็นเจ้าทั้งแปดองค์นําบาดออกไปมันร้อนนี่มือจับด้วยมือขวาร้อนต้องเปลี่ยนด้วยมือซ้ายมือซ้ายร้อนทนไม่ไหวก็จับด้วยมือขวา นางโกตุตาลายเห็นข้าก็สงสารพระบาเจราพระพุทธเจ้าท่านร้อนมีความลาบากจึงนำเอากําไรข้อมือแปคู่ไปถวายพระบาเจกับพระพุทธเจ้ า, า, ม, า ม, มาไปถวายแล้วบอกให้ พ, าพาาบาเจพระเจ้ารองก้นบาดพระบาเจพระเจ้าท่านรองก้นบาดแล้วมันก็ไม่ร้อนถือมีความสุข แต่ท่านเาสงสัยว่ากำไรของเธอใะข้ามันสูงและตั้งแปกคู่เธอปรารถนาเช่นใดยังมองดูหน้าเธอเธอทราบความในใจขอ ง, งพระเจ้าพระตจานางจึงกล่าวว่าหม่อมฉันขอเท้าไหวเป็นขอพระคุณเจ้าทุกองค์พระเจ้าค่ากำไรนี้ไม่ต้องการคืนมอบให้เป็นสมบัติของผู้เป็นเจ้าเลย พระเบเจพุทธเจ้าก็ทรงรับตั้งนางก็กล่าวว่าทําใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วด้วยอํานาจการถวายกําไรการรอนอันนี้ขอทํานั่นตรงนี้ต่ตอมม่อมฉันขอม่อมฉันจะเห็นทํานั้นตามที่พระเจ้าเห็นแล้วได้เถิดพระเจ้าค่ะพระเพระพุทธเจ้าก็นําเอากําไรนั่นรองบาทไปวางไปไว้ที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง ท่านบอกว่าปัจจุบันนี้กําลังกําไรนั้นยังอยู่จะไม่มีอันตรายเพราะผลเรื่องความดีอันนี้แหละองค์สมเด็จพระจอมไตปรปิมัสศาสนาสงฆ์ตัด่าพิสูจ์ทั้งหลายเธอจึงได้เป็นคนมีปัญญาดีเพราะมียที่ทานนั่นมารมีเป็นกรณีพิเศษทนอธิฐานว่าทำรรใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอฉันจะเห็นทำนั้นในเธอเจ้าขา่าให้ได้พรมาเอีวังโหตุ <c oughs> ซึ้งแปลเป็นใจความให้เจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาเธอก็น้อมรับในความเคารพนึ่เกิดมาในชาติสุดท้ายเธอจึงเป็นคนมีปัญญาดีรอบครอบทุกอย่างแล้วก็เมื่อฟังเทศจบเดียวยันได้เป็นมระโสนาปฏิผลเป็นพระอัจฉรบุคคลเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถ ถ, ถ่ายทอดพระธรรมเทศนาให้คนอื่นเป็นมระโสดาบันไดอีกด้วย และต่อมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเธอเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมทีศนาอันนี้เขามนดาญาโยมพุทธบริษัทหลายโดยท่นหน้าและวิโสสมณีนฟังไว้ให้ดีด้วยเรื่องพระอาเรียเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอย่าไปแตะต้องด้ยได้ในส่วนแห่งความร้ายควรจะเธวไว้ความครบในด้านของความดี อย่างนี้ความดีของท่านก็จะสนองเราต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องความเป็นทาสเรื่อนางขุิตรานี้เป็นทาสเข้ามาเป็นร้อยชาติเหมือนกันแลวว่ามีอาชีพในความเป็นทาสท่านบอกว่าในสมัยครั้งหนึ่งอันนี้ก็จำไม่ได้เลยสมัยพระพุทธเจ้าทรงรนามว่าอะไร พูดวันนี้ไม่ได้กางสรือถ้าการสี่อนั่นมันยุ่งเวลานั้นเธอเป็นลูกของมหาเศรษฐีกําลังจะแต่งตัวก็่าดีมีนามพิสุนีอง์หนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์แต่เป็นเพื่อนกัน ก, นกำนางโครตรตัรามาก่อนก่อนบวชก่อนบวชนี่เป็นเพื่อนกันเข้าใจว่าัานะคล้ายคลึงกันแล้วก็รักกันมาก วันหนึ่งท่านมีความคิดถึงนางโคจุตระาจึงเข้ามาเยี่ยมถึงที่บ้านเวลานั้นเป็นเวลาที่นางโคจิตราจะแต่งตัวพอดีและนางวิสุณีท่านเข้ามานั่งก็มาคล่อมกับกระเช้าเครื่องแต่งตัวคือนางโคจุตรานั่งตรงนี้เอ佛กระเช้าเครื่องแต่งตัวอยู่ห่างไปหน่อยนางวิสุณีมานั่งตรงกลางพอดี ในเวลานั้นปรากฏว่าคนรับใช้ของนางคุตตรุตตราไม่ได้อยู่ที่นั่นก็อยู่ด้วยกันเพียงสองคนเอก็ยกมือไหว้นางพิสุณีก็ขอประทานอภัยเถิดพระแม่เจ้าคุณายิบกระเช่าเครื่องแต่งตัวส่งให้ฉันด้วยฉันยแต่งตัวนางพิสุณีท่านเป็นพระหรหันท่านก็พิจรารณา ว่าถ้าเราไม่หยิบให้เธอเธอจะมีความโกรธถ้าเธอมีความโกรธเราตายแล้วลงนรกแน่ต้องตกนรกสิ้นพันปีนรกไม่ใช่พันปีคนแต่ว่าถ้าเราหยิบให้เธอเธอต้องเป็นคนรับใช้เขาท่านยังตัดสินใจว่าการเป็นคนรับใช้น่าดีกว่าเป็นสัตนรกมาก เพราะวสัตว์นรกจะมีแต่พลุกเวทนาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระอรหันต์ใช้ท่านยังไงยังไงก็ลงเอเวจีมานรกแน่เอเวจีมานรกไม่จะว่าจะไปอยู่พันพันปีนรกเลยแค่แค่นาทีเดียวนรกก็แย่แล้วเพราะว่ามันมีหอกตรึงกระยับกายไม่ไหวตรึงทุกส่วนหมดไฟพุ่งมาทั้งสีทิศทั้งเบื้องทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนเป็นหทิศ ร่างกายขยับไม่ได้ถูกเผายัานไฟก็แรงกว่าก้ากว่าทุกขมุมร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บฉะนั้นนางพิสุนีจะมีความเมตตาหยิบกระเช้าให้เธออาศัยที่ใช้นางพิสุนีผู้เป็นพออาระอรหันต์นางกุจจตรานั้นจึงต้องเป็นคนรับใช้เข้ามาร้อยชาติเสด องสมเด็จพระบรมโลกเกชิตัดอย่างนี้แล้วต่อไปพระยังถามองค์สมเด็จพระบัทีปแก้วว่าคนสองพวกนี้หนึ่งพนนางสาว ม, มาว ด, ดีกับหญิงห้าร้อยเมื่อก่อนจะตายเป็นอะไรบ้างพระบัทีปแก้าจึงทรงตอบว่าก่อนที่เธอจะสิ้นใจบางคนก็ทรงอยู่ในฐานะพระโสดาบันบางคนก็ขยับขึ้นไปเป็นพระสกิทาคามี บางท่านก็เป็นพระอนาคามีแต่ว่าพันนาบางคติยาจะพวกนี้ลงเอเวจีมาหานรกเรื่องความไปดีดีกันสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งดีสูงฝ่ายหนึ่งดีตำ่ำแล้วพระก็ถาม่าพระพุทธเจ้าว่าทั้งสองคนนี้พวกไหนที่ชื่อว่าเป็นผู้ตายแล้วพวกไหนชื่อว่าผู้ทรงอยู่ สมเด็จพระบรมครูก็ทรงตัดว่าคณะพ่านนางสาวมาวดีพร้อมดีห้าร้อยจะมีชีวิตอยู่ก็าตามจะตายแลว้วก็ตามถือว่าเป็นผู้ทรงอยู่ท่า น, นหมายความมีความดีทรงอยู่แล้วก็ดีถึงที่สุดคือเป็นพระอาจเจ้าแต่ว่าสําหรับานางนางมังคดยานั้นจะมีชีวิตอยู่ก็าตามจะตายแลว้วก็ตามถือว่าผู้ตายแล้วคือตายจากความดี เนรบันดาสาวกพระ อ, องค์สมเด็จพระจินนสีขึ้นเชื่อว่ากดของกรรมแม้แต่เล็กน้อยถ้ากรรมชั่วจงอย่าทำแต่ความดีมากอเดือน้อยถ้าทำได้ควรทำเ ร, เรียบร้อยรัดในการทำแต่จงอย่าเชื่อว่าชีวิตของเรานี้มันจะยืนยาวอยู่หลายปีหลายเดือนหลายวันเอาเอแน่นอนกับชีวิตนี้มันไม่ได้ ผมก็ยำแย่เหมือนกันเรื่องราวข้อนางสามาวาีจะจบผมก็เกือบจบเหมือนกันเพราะมันป่วยมากอรบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจำไว้ให้ดีว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ <c oughs> เรามองทุกข์ให้พบผมจะไม่ธิมบายว่าอะไรเป็นทุกข์บ้างถ้าพวกท่านโอจงถ้าไม่รู้อะไรเป็นทุกข์ ก็ไปสู่อบัยภูมิตามความประสงค์ของท่านเธอเพราะเราพูดกันอยู่ทุกวันยังไม่เข้าใจในทุกข์ก็หาความสุขไม่ได้อยู่เองเมื่อเข้าใจในทุกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบุคคลใดถ้าเห็นทุกบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นเห็นอริยสัตว์แต่บุคคลใดเห็นอริยสัตว์บุคคลนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าบุคคลใดเป็นพระอริยเจ้าบุคคลนั้นก็ใกล้ความหมดทุกข์ จะมีความสุขที่สุดในเมื่อจิตเข้าถึงสังขารุปเปขขาญาณคําว่าสังขารุเบคขาญาณคือการวางเฉยในร่างกายให้มีความเข้าใจไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพื่อการกินทุกข์เพราะการหิวทุกข์เพราะการปวดอุจาระปัสสาวะทุกข์เพราะการแก่ทุกข์เพราะการป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะการพัดพลาดจากของตัด ของชอบใจทุกข์จาความตายเข้ามาถึงในเมื่อมันเป็นพื้นฐานแห่งการทุกข์เราจะต้องการอะไรมันอีกการตัดกิเลสตัดตัวเดียวที่ส ก, กายญติิฐิเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเาอเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็ น, นเพียงท่าศี่ที่เร า, าอาศัยทุกขคราเมีอาการสามิตสอง มีความเกิดในเบื้องต้นมีความแก่ในทำกลามมีความตายเป็นีิสุดถ้าระวังความการเกิดมนุษย์แล้วก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ไม่มีอะไรดีจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานขอทุกท่านพยายามกำจัดโลภะความโลภได้จากฐานสติกรรมฐานกำจัดความโกรธ ด, ด้วยพรมยานสี่ทลายอุ ป, ปาทานนี้คือความยึดมัน่นที่มั่นด้วยปัญญา ดาวทุกท่านจะเข้าพบความดีนั่งขึ้นได้แก่นิพานโดยเฉพาะทุกท่านที่ได้มโนมนยิธิมีกําลังใจจับนิพานได้จับนิพานวันิพานไว้เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าตายเมื่อไร่ขอไปนิพานเหมือนั้นแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปนิพานอย่างนี้ทุกท่านจะสงความปัญหาด้วยการท่องโกงสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วเรื่องราวภาษามาวันดีก็จบผมก็เกือบจบกับเรื่องราวภาษามาวันดี เห็นว่าวันนี้อดเป็ดอดเป็ดเอาดีไม่ได้เลยก็ขอยุติิวัพิเพลงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ะบรรดาท่านพุทตัสนิกชชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี